เดือนกันยาเป็นเดือนฝนแท้ๆนะแต่ก่อนหน้านี้เราคิดว่าฝนไม่ตกฝนไม่ดีเพราะมันเป็นแปดสองฝนปีนี้ปีนี้แปดสองฝนมันก็เลยช้าไปหน่อยเดี๋ยวมาแล้วเีนี้มาเต็มที่แล้วงนะั้นฝนดีนะถ้าจะว่าไปแล้วปีนะี้ฝนสม่ําเสมอซักจะเกินไปอีกต่างหากแต่ถึงยังไงก็แบบสอนคิรีร้องเพลงนั่นนะ่ะ น้ำท่วมดีกว่าฝนแรงศอนคีรีเขาว่างันนะเพราะอะไรเพราะว่าฝนแรงเนี่ยมันตายหมดเลยทั้งนาโคกนาดอนทานนาลุ่มตายหมดเพราะงั้นถ้าฝนแรงถ้าฝนตกเนี่ยมันมันจะท่วมแต่ในที่ลุ่มในที่ดอนมันยังมีข้าวให้ได้อยู่ได้กินอยู่ก็เป็นมันเป็นอย่างนั้นถึงจะท่วมยังไงมันก็ไม่ท่วมหมด ถ้าฝนดีเลยยังไงยังไงก็ยังมีอยู่มีกินว่างั้นแหะอันนี้คือชาวนาฝากปากฝากท้องไว้กับดินฟ้าอากาศไม่แต่ชาวนานะพวกเราทุกคนก็เหมือนกันนะ่ะวันไหนไม่ได้กินข้าวมีไหมกินข้าวทุกคนแต่ว่าข้าวจะขึ้นราคาน้อยหนึ่งเท่านั้นแหละทะเลาะกันนนัอีลึงตึงนางจนข้าวราคาตกซะก่อน ยังค่อยให้ชาวนาได้ขายสรุปแล้วก็คือถ้าจะว่าไปนั่นก็คือเอาเปรียบกระดูกสันหลังของชาติไปสักหน่อยเหมือนกันนะพวกเรานะอย่างอื่นขึ้นหมดนะแต่ข้าวเนี่ยกินทุกวันไม่ให้ขึ้นพอเห็ไุไรเพราะทุกๆคนกินข้าวไม่ขึ้นแต่ตามไม่จริงเงินภาษีของรัฐบาลก็น่าจะให้ชาวนาเขาบ้างเพราะเขาทํานากว่าจะได้ข้าวมาเลี้ยง หมู่พวกเราเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าคิดให้กว้างกว่านะคิดให้เป็นธรรมแค่ๆว่าให้ความเป็นธรรมทุกหมู่ทุกเราทุกตัวถ้าว่าคิดไม่เป็นธรรมก็อย่างว่าสัตว์มันเกิดมาเพื่อเพื่อเป็นอาหารมนุษย์แต่ตามไม่จริงสัตว์มันเกิดมามันก็ข้าพเจ้าเกิดมาเป็นอาหารมนุษย์นะมันก็ไม่ว่า สิงเกิดมาก็ว่าเนี่ยมนุษย์มาเกิดเป็นอาหารของข่าค่าจะต้องกินมนุษย์มนุษย์ก็มายอมอีกเหมือนกันอันนี้คือป่วยเห็นแก่ตัวถ้าคนเห็นแก่ตัวแล้วก็บ้องไม่ทั่วถึงเหมือนกันแะเพราะเหตุไรเพราะเห็นแก่ตัวถ้าเราพวกเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็มองเฉลี่ยไปกลุ่มไหนที่มันหนักหนาที่มันได้อโอกาสที่มันไม่ ันกับหมู่พวกเพื่อนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ร่วมชาติของเร า, ารูควรจะให้การสนับส น, นุนให้ความช่วยเหลืออย่างไรที่เขาด้อยกว่านะถ้าทุกคนทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้รับผิดชอบทุกหมู่ทุกเราเห็นพ้องต้องกันอย่างนั้นนั่นแหละความผ้าสุกก็จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่เห็นทำไมพร้อมกันก็อย่างว่าลนะ้ว แก่ตัวนี่แหละเพราะนั้นทุกหมู่ทุกเกล่าการอยู่ด้วยกันต้องระวังความคิดเกิดขึ้นมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาระวังความคิดก็คืออย่าไปอย่าคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาอย่าคิดปองร้ายเขา จะคิดพยาบาทอาฆาตคนอื่นเขาอยู่คนเดียวระวังไปหมดสิ่งไหนที่จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าไปคิดมันคิดตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาคิดพระพุทธเจ้าพาคิดยังไงพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาไปนั่งภาวนานึกคิดเรื่องอะไรมนุษย์โลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราจะช่วยเหลือมนุษย์โลกได้อย่างไร จะให้ความเป็นธรรมแก่มนุษย์โลกอย่างไรเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรแลาจะช่วยเหลือเราอย่างไรสัรพสัตต์ทางลายในโลกเป็นอยู่อย่างนี้แต่แต่เรายังไม่เกิดมีทุกข์มีโจรมีโง่มีฉลาดมีนักเลงมีหัวไม้มีบัณฑิตนักปรัช์มันมีอยู่อย่างนี้แต่เราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้หรือทุกนั้นสมัยนั้นหรือทุกไหนสมัยไหน เราควรจะวางตัวอย่างไรอันนี้ ค, คือแนวความคิดนะอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาวาจาของเราควรจะพูดอย่างไงจึงจะไม่ทะเลาะวิวาทกันการอยู่กับหมู่กับเพื่อนถา้าเราพูดดีเป็นกับเป็นสงาาส่าราศีใครๆก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกับเราได้ถ้าเราพูดไม่ดีมีแต่อริสตรูที่จะมาแก่งแย่ง เรื่องอิจฉาพยาบาทแต่ตามให้จริงไม่ให้คนอิจฉาเฉยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าใครเห็นเราดังกว่าเด่นกว่านั้นเขาก็คอมเมนต์เราบางท่านเถอมันใส่บางั้นอะแต่ถ้าว่าเป็นมูเป็นเพื่อนเดียวกันไม่เป็นไรถ้าว่าต่างกลุ่มต่างคณะขึ้นมาแล้วทึกเขาจะไม่ได้พูดอะไรเขาเขาจะไม่ได้ทําอะไรแต่เขาเด่นกว่าตัวเองมันใส่ละ มันมีอยู่อย่างงั้นโล ก, กนเลยตั้งแต่สร้างโลกมาเป็นอมู่อย่างนั้นอันนี้ถืออย่างไงคนอื่นจะมันไสอย่างไงก็ตามแต่ในหมู่ในคณะของเราเนี่ยควรจะระมัดระวังในคำพูดถ้าคำพูดดีก็มีผกูกมิตรผูกสหายเป็นพักเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอยู่ด้วยกันนานแต่ถ้าว่าพูดอะไรไม่ระมัดระวังคำพูดจะเสียหมู่เสียเพื่อน เสียพ่อเสียแม่เสียบงศาคณาญาติเสียมิตรสหายไปได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะคำพูดนะเรียกว่าคนโบราณเขยังสอนวิธีการพูดไม่ใช่น้อยเหมือนกันสอนวิธีกา ร, รพูดตรงนั้นพูดยังไงจรึงเป็นสติพูดยังไงจรึงเป็นมงคลพูดยังไงจรึงเป็นการโน้มน้าวให้คนอื่นเป็นที่ยอมรับทันยกชาดกขึ้นมาอีกเหมือนกัน ชาดก็คือเรื่องเก่าแก่นะสมัยหนึ่งเมืองพรราณสีษอุดมสมบูรณ์พูนสุขไปด้วยคู่คนการทำมาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยนั้นแต่นีนเศรษฐีก็มีมากแต่นีนมีเศรษฐีอยู่ในกรุงพระราชนิเศรษฐีบุตรเ ป, นนะเป็นบุตรเศรษฐีสี่คนบุตรเศรษฐีน้อยเศรษฐีหนุ่มสี่คนออกไปเที่ยวนอกเมือง ใครเขาบอกไปเน่ยไปโตโตเตเตตามภาษาคนหนุ่มหนืองนั่นแะไปเที่ยววาทะใครเก่งกว่ากันเพราะว่ามันจะต้องเรียนวาทะเน่ยเป็นเศรษฐีต้องเรียนวาทะการทํามาค้าขายถ้าพูดกับผู้ใหญ่ทำยังไงพูดกับผู้น้อยทํำยังไงพูดกับผู้ค้าทํำยังไงที่จะซื้อสินค้าเขาทํำยังไงที่เราจะขายสินค้าทํำยังไงเราต้องเรียนพูดทั้งหมดเพราะงั้นเศรษฐีเนี่ยใครกขาว่าใครเก่งเน่ย จบมาตะ ก, กัดศิลาเหมือนกันเหมือนนเอะต่ทนี้ก็เห็นพ่อค้าคนหนึ่งพอ่พอค้าขายเนื้อเหมือนกันเถอะในพรานเนะี่ยเขาอยู่ในป่าเขาไปล่าเขาไปล่าเนื้อได้พวกเก่งพวกกวางพวกสัตว์นี่แหละเขาก็สับรรทุกบรรทุกรถก็ามาในเมืองเหมือนกันเพื่อจะขายในเมืองเศรษฐีทั้งสี่คนเนะี่ยนั่งอยู่ศาลาศาลานอกเมืองพอ เห็นพ่อค้าคนนั้นกําลังขนเนื้อเข้ามาเพื่อจะขายในเมืองทั้งเศรษฐีนี่ยก็คุยกันแหละเศรษฐีบุตรอ่ะใครจะมีวาทะแน่ปรกันไปเกเจราจาสิไปเจราจากับเนื่ยพ่อค้าขายเนื้อเนี่ยไม่ต้องซื้อละไปขอเขาวิธีการขอทํำยังไงจะไปที่ยอมรับของเขาคนหนึ่งเอาผมไปก่อนพอถึงไปถึงเนี่ยไอ้พ่อค้าเนื้อ ผมเนี่ยเป็นเศรษฐีนะลูกเศรษฐีอยู่ในเมืองนี่แหละนัน่นแหะคุณคงจะรู้ว่าเนี่ยผมเป็นผู้ใหญ่กว้างขวางในชุมชนแต่ถ้าหากว่าพูดไม่รู้จักอะไรเนี่ยโดยมากจะขายจะขายของไม่ดีนะถ้าหากว่ารู้จักมักคุ้นรู้จักกับผมซะก่อนเข้าไปขายของก็จะได้ขายของดีในชุมชนะทังพ่อคาเนื้อไอ้ มันมาขอของแล้วค็นะเราขอเนื้อสักหน่อ ย, ยทถิทางพ่อค้าเนื้อนียอ่ยไอ้ี่พูดขอของกับคนอื่นทำไมพูดจะบหยาบอย่างเนี้ยธรรมตาไม่จริงการขอของกับคนมันก็ต้องพูดอ่อนน้อมกว่านี้อันนี้มันพูดแบบนี้แบบสมควรจะให้แต่พังผืดไปแล้วพังผืดเกี่ยกาข้าปะจันเนื้อก็ไม่ใช่จะหนังก็ไม่ใช่พังผืดไปงั้น อันนี้ก็ได้สํานหรับพังผืดเอาเอาไปอันนั้นก็ได้แต่พังผืดไปอย่างนั้นหลยเศรษฐีบุตรคนที่สองก็เข้าไปอีกเอาไปพี่พี่พี่ผมขอเนื้อสักหน่อยนะครับพราผมจะได้เอาไปเลี้ยงหมูพวกเพื่อนสมควรพี่สมควรจะให้ผมยังไงผมก็ยินดีรับพี่ต้องให้แบ่งให้ผมสักหน่อยก็ดีครับพี่ พ่อค้าเนื้อคนนั้นเอออันนี้พี่เนี่ยได้เขาว่าพี่น้องคนเราต้องมีพี่มีน้องเหมือนอวัยวะเดียวกันรักกันเหมือนอวัยวะเหือพี่น้องเนี่ะคนนั้นควรจะให้ขาหาสัตว์ว่างั้นใอเออไปเอาไปกินเพราะว่าพี่น้องอแต่คนนึิเข้ามาอีกเสรษจทีบุตรเรียกพ่อเลยนัพ่อพ่ อ, พอผมขอเด้เทิานน ผมอยากจะได้เอาไปเลี้ยงหมูพวกเพื่อนสักหน่อยนะไม่มากขอแบ่งให้ผมเลยเถอะตามบัรยาสัยเข็นสมควรกับจะให้ผมเพราะอะไรผมขอยินดีรับอะนะพ่อนะคุณพ่อนะทางพ่อค้าเนื้ออันนี้เรียกพ่อเนี่ยธรรมดาลูกเรียกพ่อเนี่ยหัวใจพ่อเนี่ยต้องหวันไหวนะเพราะเหตุอะไรเพราะรักลูกถ้าลูกเรียกพ่อทลายพ่อเน่ต้องสะดุ้งทุกทีเลยคุณพ่อครับ ผมอยากจะได้นั้นเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อจะต้องรักลูกเท่าไหร่พร้อมที่จะอนุมัติหรืออนุโลมตามมั้งนั่นแหละอันนี้เขาเรียกพ่อเนี่ยจิตใจวันไหวไกวแหว่งเพราะพ่อกับลูกอันนี้ควรจะให้เนื้อหัวใจนะพกคาอเนื้อคนนั้นนะให้เนื้อหัวใจเอาไปเธอเอาไปกินไปก็ให้อันั้นไปไอันนั้นได้เนื้อหัวใจเห่างนั้นะหัวใจ สัตว์ป่าที่เอาที่เอาเจาะข้อไปขายในเมืองวันแต่คนที่สีเข้าไปแต่เนี่ยเข้าไปเอิดเพื่อนสหายผมขอด้วยเถอะถ้าขอสหายแบ่งแบงให้ผมด้วยเพื่อนแบ่งให้ผมด้ว ย, วยทั้งโขาเนือ้อคนนี้ถูกใจมากเออคนเราเนี่ถ้าหากว่าไม่มีหมูมีเพื่อนไม่มีเพื่อนสนิทมิตรสหายที่แท้จริงจะเจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างไร ถ้าว่าคนมีมิตรสหายที่ดีรักกันมีความชอบกันมีการสจรือเผื่อแผ่ต่อกันมิตรเป็นไงสหายเป็นยังไงเราเป็นอย่างั้นเราเป็นยังไงมิตรสหายเป็นอย่างั้นถ้าเป็นมิตรที่ดีแล้วต้องเป็นอย่างั้นเมื่อสุกก็สุกด้วยเมื่อทุกข์ ก, ก็ทุกด้วยแบ่งปันลาบแบ่งปันเงินคำทรัพย์สมบัติให้แก่เพื่อนและก็เมื่อเพื่อนตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือและการรักษาความลับของเพื่อนอีก ไม่ให้แพร่งพายออกไปภายนอกเพราะเป็นเพื่อนเหมือนอวัยวะอันเดียวกันอันนี้เลยบอกเออเพื่อนถ้าแกเป็นเพื่อนกันที่แท้จริงเน่ะผมจะยกให้ทั้งหมดทั้งเพื่อนเอา้าไป็นไรผมเป็นเพื่อนแท้ๆอะไรเป็นเพื่อนของคุณแท้ๆอะไรเออเอ า, เ, อาเป็นเพื่อนปะผมจะไปส่งถึงบ้านเศรษฐีคนนี้ก็เลยชักชวนหมู่ทั้งสามพระว่าขึ้นขึ้นรถ ด, ด้วยกันเลยก็เลยไปส่งถึงบ้านจากนั้นเศรษฐีนี่เลยเออ พ่อค้าเนื้อคนนี้ถึงจะเขาเป็นพ่อค้าเนื้อก็จริงอยู่แต่เขามีน้ําใจใเขามีปัญญาสมควรที่จะเอามาเป็นเพื่อนกันจากนั้นเขาก็เลยเชิญพ่อค้าเนื้อคนนั้นมาอยู่ที่บ้านของเขาเลยสร้างบ้านเรือนให้เขาเลยเอาทั้งลูกทั้งเมียมาอยู่ที่บ้านของเขาจากนั้นก็เลยทํามาค้าขายด้วยกันเป็นเป็นว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีแนวความคิดที่ดีเพื่อนคนนี้ต่อไปก่อคงจะ ไม่ทะเลทลายเพราะเขาเป็นผู้มั่นคงในแนวความคิดถึงอากับกิริยาที่เขาแสดงออกมาทั้งสามเพื่อนเห็นได้ชัดแต่กับเราในะเขาก็เห็นได้ชัดเหมือนกันเป็นเพื่อนที่ดีของเราจากนั้นเขาก็เลยอยู่ด้วยกันพินทานหรือชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดหรือการแสดงออกการพูดให้ระมัดระวังถ้าพูดดี ต่อเป็นสิริเป็นมงคลได้เงินได้ทองได้พักได้พวกได้เพื่อนได้ฝูงแต่ถ้าพูดไม่ดีจะเสียพักเสียพวกเสียเงินเสียทองเสียเพื่อนเสียฝูงไปเหมือนกันเพราะนั้นการจะพูดกาพาทีกับใครก็ตามให้ระมัดระวังให้พูดจะเป็นสุภาษิตจะเป็นผลดีที่สุดอันนี้ก็คือชาดกที่ห้าอยชาติ มาในพระไตรปิฎกที่ท่านได้พูดได้กล่าวตรงพ่ออ่านดูแล้วได้ศึกษาดูแล้เอออันนี้ก็มีประโยชน์ในยุคทุกยุคทุกสมัยถ้ารายงานำทำคำสอนอย่างนี้มาแนะนำหรือมาบอกกล่าวต่อๆกันก็คงเป็นประโยชน์สรุปแล้วก็คืออยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรกับเพื่อนกับผูงขูงให้ระวังวาจาเอาไว้ นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นกาเป็นแนวแถวทำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันมิตรสหายนี่เป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญนะมิตรสหายในการครบค้าสมาคมในการครบมิตรคบสหายนี่ในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านเป็นถือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวท้าว่ามิตรที่ดีสหายที่ดีเพื่อนที่ดีอยู่ในชุมชนใดอยู่ในกลุ่มใด ชุมชนและกลุ่มนั้นก็มีแต่ความเจริญแต่หาว่ามิตรสหายไปพาไปทางเลวพาไปกินเหล้าเมายาทย เ, เที่ยวสัมมาเลเทเมาคัญชายาฟินทุกวันได้มีเฮโรอีนโคเคนถ้าขายไปอย่างนั้นน่ะมีแต่จิบหายอใบยมุกเข้ามาและจิบหายเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดข้านทําการงานมีแต่เห็นผลทางเห็นความจิบหายถ้าหาว่า ทำตนเป็นคนดีไม่แตกในสิ่งเหล่านั้นแล้วมีแต่ความเจริญนะเนี่ยพระพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะไปสอนลูกสอนหลานสอนคู่สอนคนบอกกล่าวกันอันนี้คือทาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถึ ง, ย ง, งอย่างไรก็อย่าไปลืมถึงจะอยู่ดีมีสุขขนาดไหนก็ตึงแก่เจ็บตายในะยังไม่หนีจากพวกเรานะย่องย่องตามหลังอยู่ตลอดเวลาตัวนั้นสาคัญ ตายแล้วไม่สูญเท่านั้นแหละทินตายแล้วเกิดอีกนี่แหละตัวนี้ต้องวิเคราะห์ให้ดีต้องคิดให้ดีต้องวิเคราะห์ให้ดีต้องทบทวนดูให้ดีทางพวกเราทั้งคดีโลกเราก็ไม่ขาดตกบกพร่องคดีธรรมคือแนวความคิดในด้านจิตใจเราก็ได้นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นแนวทางของพวกเราอยู่พวกเราจะไม่เสียชาติเกิดว่างั้นเกิดมาชาตินี้ พบทำคาสอนของพระพุทธเจา้าทั้งคดีโลกเราก็ไม่ขาดตกบกพร่องทั้งคดีธรรมเราก็ไม่ขาดตกบกพร่องจะออกจากภพนี้ชาตินี้ไปเราก็ไม่เสียท่าเสียทีเพราะเราได้ทำคุณงามความดีไว้มากพอสมควรแล้วนะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร